กล่าวถึงสัจจะไปสามสัจจะนั้นนะซึ่งแต่ละสัจจะนั้นถือว่าเป็นความจริงของพระอริยเจ้าอริยสัจเนี่ยที่เรียกว่าความจริงของพระอริยเจ้าคือปุตุชนทั้งหลายเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงบรรลุแทงตลอดอริยสัจบุคคลนั้นก็จะเป็นพระอริยบุคคลข้ามโคตจากปุตุชนเป็นพระอริยเจ้า เพราะว่าผู้ที่เป็นปุถุชนทั้งหลายก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีคติน้ำแน่นคติน้ำแน่นหมายความว่ามันยุบจับไปหมดเลยพร้อมที่จะผุดได้ทุกแห่งเมื่อวานเรียกว่าเสนอตัวในพบต่างๆอันนะจะใช้คำว่าเสนอหน้าก็ฟังหนักไปในขนาดไม่ใช้นะเนี่ย เ, เสนอตัวในพบนี่นะก็ว่าชอบปรากฏตัวตามพบต่างๆ รู้ว่าจะไปปรากฏตัวที่คันไหนบ้างที่ไข่ฟองไหนบ้างยมเขาเอาไข่ปลาเนี่ยไปแกงมาแล้วก็เห็นไขน่แล้ว น, นะโอ้แต่ละตัวนี่ไข่ไม่ใช่น้นอยเลยาทีเขาช่างกไข่ปลาเนี่ยเม็ดนิดเดียวใช่หช่างกิโลขายนะคิดนย่งมันมีเป็นกิโลกิโลผู้การบอกว่ามีไรน้ำด้วยนะแล้วนั่นก็ยังใหญ่ไปมีที่เล็กกว่านั้นอีกที่เรียกว่าต้องใช้กล้องสองเลย พวกหมูสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเป็นเป็นที่ปรากฏแห่งสัตว์ทั้งหลายคือสัตว์ทั้งหลายก็เสนอตัวตามที่ต่างๆเสนอตัวในภพสามคือกามมาภพรูปภพและอรูปภพเสนอตัวในกําเนิดสี่เกิดในครันเกิดในไข่เกิดในเท่าคลายเกิดเป็นอุป ป, ปาติกะเป็นต้นที่เขาเสนอตัวไปเกิดตามภพต่างๆ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะเขาไม่รู้เห็นอริยสัจธรรมบุคคลผู้ไม่เห็นอริยสัจธรรมนั่พร้อมที่จะปรากฏหรือพร้อมที่จะเกิดในทุกหนทุกแห่งไม่เลือกที่เพราะว่าถือว่าเป็นผู้ที่หนานแน่นไปด้วยคติคติที่เขาหนาแ น, น, น่นเนี่ยเพราะว่าเขาหนาแน่ น, นด้วยกรรมกรรมนันทั้งที่เป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมตัวที่นาให้ไปเกิดในภพต่างๆนั่นก็คือตัวกรรม ที่เขาปรากฏตัวก็เพราะว่าเขาไม่รู้แจ้งเห็นจริงอริยสัจจะทำทีนี้ในบรรดาอริยสัจสองประการเนี่ยท่านบอกว่าสัจจะสองข้อแรกเนี่ยตัวมันเองเนี่ยหยาบแต่มันก็เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเพราะอะไรลึกซึ้งเพราะอะไรลึกซึ้งเพราะเราไม่ค่อยเห็นลักษณะของมันตัวมันจริงๆเนี่ยหยาบนะแต่ว่าเช่น ปัจจัตลักษณะเราก็ไม่ค่อยเห็นยิ่งสามัญยลักษณะด้วยยิ่งแทบไม่ค่อยเอามามนสษยการศักษเท่าไรทันสภาวะลักษณะของของทุกเนี่ยนะปกติแล้วสัตว์ทั้งหลายดูเหมือนเห็นแต่จริงๆแล้วไม่เห็นนั่นก็ <c oughs> ดังที่กล่าวนะว่าเมื่อเราทำตีรณะปริญญาหรือน้อมนึกถึงอริยสัตว์บ่อยเท่าไหร่ เราจึงจกรู้ว่าเราสายใจในอริยสัจน้อยมากเนี่ยนะก็หลายๆท่านก็พยายามแนะนาว่ามนาศิการอารมณ์อะไรก็ให้สาธยายอริยสัจเอาไว้บ้างนนะนะถ้าหากว่ายังพิจารณาอะไรไม่ได้ยังเจริญอะไรไม่ได้ใครครวญอริยสัจยังไม่เห็นรับอารมณ์ใดก็ตามนึกถึงชาติพิทุก ข, ขาเป็นต้นเอาไว้เธอเนนะนะถามไม่ได้อะไรเลยหยับหยาแบบนี้ก่อน ถ้ายิ่งคนที่เข้าออกโรงพยาบาลอาจจะได้เปรียบกับคนอื่นนะชาติพิทุกขาเนี่ยมองเห็นเลยเลยชาราพิทุขาเพราะชราก็บวกพยาธิเข้าไปด้วยในที่สุดก็มรณะเนี่ยนะชาติพิทุกขาชราพิทุกขามรนามพิทุกขักขกขงนึกถึงความเกิดความแก่ความตายเอาไว้ บ, บ่อยๆกับทุกอารมณ์ นธรรมะในแง่เอาไปเจริญเอาไปพิจารณาเอาไปปฏิบัติในชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยนะถ้าเราไม่น้อมนึกไปเนี่ยนะอริยสัจไม่ใช่อยู่ๆแล้วโผล่มาให้เราเห็นเองเนี่ยไม่ใช่แต่เกิดจากการเอาวัชนะเกิดจากการนึกถึงเกิดจากการรำพึงถึงเกิดจากการพิจารณาถ้าพิจารณา น, น, น้อยก็ไม่คู่ควรกับการท้นทุกข์อยู่แล้วเมื่อพิจารณาไอ้ตัววัตถุ ค, คือทุกข์สัตย์มากเพียงใด ก็จะเห็นว่าอุทุกขสัตว์เหล่านั้นทั้งมวลเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ใช่ไหมเมื่อพิจารณาเนี่ยด้วยจะเห็นเหตุผลสองประการในในทุกขสัตว์เหตุผลสองประการเนี่ยที่ที่เราจะต้องมองให้ออกอ่านให้เป็นเลยคือมณสิการอารมณ์หนึ่งอารมณ์เช่นอะไรดีรูปปัจขันก็แลนะ้วกัน เมื่อเราคิดถึงรู ป, ปรขันเนี่ยนะโดยทั่วๆไปก็จะวิเคราะห์ว่ารู ป, ปรขันคืออะไรนะรู ป, ปรขันคือมหาภูตรูปสี่ประกอบไปด้วยปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุานะทีนี้เมื่อมีมหาภูตรูปสี่แล้วเป็นที่ตั้งแห่งการพ่วงอะไรมาบ้างอ่นะพ่วงอะไรมาก็พ่วงตา หูจมูกลิ้นและก็กายมันก็เป็นผลพวงของมหาพูดเนี่ยนะเพราะมหาพูดเป็นปัจจัยเนี่ยจึงมีอะไรสลายยตนาใช่ไหมนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนาคำว่ารูปตัวนั้นเป็นชื่อของมหาภูตารูปเพราะธาตุดินน้ํามลมไฟเนี่ยจึงเป็นปัจจัยแก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้เมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้ขาดไม่ได้คือสี กลิ่นรสโอชาอันนี้ต้องมีโดยธรรมชาติของเขาจะเป็นอะไรก็ตามต้องมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาตัวตาเนี่ยมีสีไหมมีหูมีสีไหมมีเป็นต้นปฐวีธาตุทั้งหลายเป็นต้นก็เป็นสิ่งที่มีสีถ้าเป็นรูปพิเศษอีกมาก็คืออะไรชีวิตต้องหล่อเลี้ยงบวก ภาวะก็ต้องมีเพศนะนะเพศของรูปทั้งหลา ย, ยนะถ้าช่องว่างระหว่างกลุมก็เรียกอะไรเดี๋นะอากาศอากาศหรือปริเชตเนี่ยนะถ้าเป็นเป็นที่ตั้งแห่งมโนทวารก็จะมีอีกตัวหนึ่งเรียกว่าหาทยะยานนี่ยนะส่วนที่เหลือก็จะเป็นอสภาวะรูปนะที่ต่างจากนี้ไปไม่พูดถึงเพราะเป็นอสภาวะรูปเป็นสิ่งที่ไม่มีสภาวะอะไร เพราะว่าเป็นตัวที่เรียกว่าพ่วงพ่วงอาศัยอีกครั้งหนึ่งคุณมีลืมไปบ้างหรือยังอภิธรรมเนี่ยที่ว่าพยาบาลสอนเอนาะเนาะจำได้เท่านั้นนะเลย <laughs> ทีนี้เมื่อวิเคราะห์รูปอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยนะจะเห็นว่าความเป็นมาของรูปคือในบรรดารูปที่ที่น่ากลัวที่สุดอะไรเป็นสมุทฐาน <laughs> กรรมเป็นสมุทฐานใช่ไหม กรรมก็แบ่งเป็นดวงที่หนึ่งดวงที่สองถึงดวงที่หกแล้วก็ดวงที่เจ็ดสูตรก็มีอยู่เท่านี้ถ้าดวงที่หนึ่งก็เป็นทิฏฐธรรมดวงที่เจ็ดอปัชชะเวทนยกรรมดวงที่สองที่หกสองถึงหก็เป็นอปปราปริยะดวงที่เจ็ดก็เป็นโอปัชชะแล้วกรามพวกนี้ถ้ามันให้ผลมันให้ผลเป็นอะไรบ้าง อันนั้นให้ผลนำเกิดถ้าให้ผลอ น, นนะก็ชนกใช่ไหมนำเกิดบางอย่างก็มาอุปถัมบางอย่างก็มาเบียดเบียนอุปปีละเนี่ยนะบางอย่างก็มาฆ่าเรียกว่าอุปฆาต ก, กรรมทีนี้การที่มันจะให้ผลก็ให้ตามนับำหนักของกรรมใช่ไห ม, ชไหมเช่นครุกรรมอาสันกรรมอาจิ น, นกรรมแล้วก็ กตัตาวาปนะกรรมอโหสิกรรมมันอยู่กลุ่มนี้อโหสิกรรมไม่จําเป็นต้องพูดอะไรเพราะมันไม่ให้ผลอยู่แล้วเพราะตัวกรรมที่มันให้ผลจริงๆมีสิบเอดอย่างก็เป็นไปตามนี้แต่ทีนี้เมื่อมีรูปประคันเนี่ยรูปประคันเป็นที่ตั้งแห่งอะไร น, นะเช่นกายวิญยัติวจีวิญยัติและ ไม่ทำวินยัตเนี่ยนะเรียกว่าเป็นกายวินยัตประกาศถึงอะไรกรร ม, มกายกรรมวจีวินยัญญตเป็นวจีกรรมสรุปว่ารูปเป็นผลพวงของของกรรมอาศัยรูปรูปเหล่านี้แหละเป็นที่ตั้งแห่งเป็นที่ตั้งแห่งกรรมเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรม ถามมาเอาว่าฝุ่นเป็นที่ตั้งแห่งกรรมไหมเป็นหรือไม่ถ้าเป็นภายในนะถ้าเป็นภายในอันนี้เขาเรียกว่าชื่ออีกหนึ่งหนึ่งเาเรียกว่าทวารแห่งกรรมทวารที่จะทำกรรมส่วนภายนอกทั้งหมดทานนอกตัวนะนอกตัวและในตัวเนี่ยคืออารมณ์แห่งกรรม กายวินยัตวจีวินยัตเป็นทวารแห่งกรรมใช่ไหมแต่ถ้าฝุ่นเนี่ยเป็นอารมณ์ของการทำกรรมไหมใครไม่เคยพูดถึงฝุ่นม้ง่งกรุณายกมือขึ้นไม่มีเลยใช่ไหมวจีกรรมใช่ไหมพูดถึงฝุ่นวจจีกรรมปัดฝุ่นดูดฝุ่นกายกรรมโดยที่สุดแม้แต่ฝุ่นยังเป็นอารมณ์ของกรรม นนะวัตถุภายนอกทั้งหมดเป็นทวารแห่งการทํากรรมหรือเป็นอคขอบัยเป็นอารมณ์แห่งการทํากรรมทุกอย่างเลยนะลองคิดดูว่าในโลกนี้ทั้งหมดวัตถุใดบ้างไม่เป็นที่ตั้งแห่งการประกอบอาชีพใครเคยเห็นบ้างเกิดมานะไม่มีใครเอาวัตถุนั้นมาประกอบอาชีพเลยอะ่ะที่เป็นวัตถุธาตุในโลกนี้เนะีย อาจารย์วินิจก็แล้วกันอยู่วงการศึกษากว้างขวางวัตถุไหนมั่งในโลกลนะนะไม่เป็นที่ตั้งแห่งอาชีพไม่มีเลย น, ะนึกไม่ออกมารอดเคยเห็นไหมเป็นวัตถุธาตุที่ไม่มีใครอาศัยสิ่งนั้นประกอบอาชีพเลยอะ่ะหาดูเธอรูปนะมหาพูดธเนี่ยที่เบื้องหลังคือวินิโพครูปแนะ เคยเห็นโดยที่สุดฝุ่นยังเป็นที่ตั้งแห่งการประกอบอาชีพเช่นอาชีพดูดฝุ่นเป็นต้นนะเนี่ยอ่าเป็นล่าทุกอย่างเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งการประกอบอาชีพหมดเลยโดยที่สุดแม้แต่หมู่เดรชาฉานะยังเป็นที่ตั้งแห่งการประกอบอาชีพอะไรไม่มีนะอ่าอากาศยังเอามาประกอบอาชีพเลยใช่ไหมคลื่นอากาศยังมาประกอบอาชีพนะทุกวันนี้ค้าอะไรรวยเร็วที่สุดบกค้าอากาศ คลื่นแม่เหล็กก็ใช่พวกนี้ก็ยังอยู่ในกลุ่มเนี่ยกลุ่มอากาศนะีเกี่ยวข้องกับอากาศอยว่คือสรุปว่าแม้กระทั่งเมฆฝนอะไรทั้งหมดนะเมฆเป็นที่ตั้งแห่งอาชีพไหมใครประกอบอาชีพเกี่ยวกับเมฆเกี่ยวกับฝนเกี่ยวกับลมเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศเกี่ยวกับทุกส่วนในร่างกายนะี่ยมีไหมที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งอาชีพหมอเลยไม่มีแม้แต่อันเดียวอะไรแม้แต่ฟ้าผ่านะเกี่ยวกับฟ้าผ่ายังมีคนคิดประกอบอาชีพเพื่อจะตั้งอะไรนะ สายเล่าฟ้าเป็นที่ตั้งแห่งการประกอบอาชีพเกี่ยวกับฟ้าผ่าฟ้าแลบเพราะฉะนั้นสรุปว่าทุกอย่างเป็นอารมณ์ของกายกรรมและวจีกรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมนี่แหละเขาเรียกว่าอาชีพเมื่อเป็นกรรมก็ต้องมีอะไรวบากตามสูตรเนี่ยนะกลับมาดูสูตรตามเดิมปุนเข้าตาที่เป็นกรรมที่เป็นกรรปถึงปู พูดถึงฝุนเข้าตาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งการประกอบอาชีพไหมละ่ะบอกว่าอาชีพรักษาตาไงสรุปว่าเมื่อประกอบเมื่อเกี่ยวข้องอนะว่ารูปต้นเหตุของมันก็มาจากกรรมเมื่อมีรูปก็ตัวรูปภายในเป็นทวารแห่งกรรมรูปภายนอกเป็นอารมณ์แห่งกรรมทั้งทวารแห่งกรรมทั้งอารมณ์แห่งกรรมสรุปอยากจะกล่าวว่า อันนี้คือสมุทยัยเมื่อกล่าวถึงกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมก็ชื่อว่ากล่าวสมุทยัยคือเหตุแห่งแห่งแห่งวิบากนะเมื่อกล่าวอารมณ์ก็ชื่อว่าเป็นเหตุแห่งกรรมโดยที่สุดอารมณ์ไหนบ้างที่ไม่เป็นหนึ่งนะคตินิมิตมีไหมอารมณ์ไหนบ้างไม่เป็นคตินิมิตก่อนตายนะเอาพูดถึงรัดไ อ, อีก มีอะไรเป็นอารมณ์แล้วตายไม่ได้มีมั้ยโดยที่สุดนะแม่แต่ขันแห่งมารดาเนี่ยนะสัตว์บางพวกนะก่อนตายเนี่ยมีภาพท้องมารดาเป็นอารมณปัจจัยก็หมายถึงว่าเกิดในขันนะนะเขาบอโดยที่สุดแม่แต่ท้องยังเป็นอารมณ์ของภพใหม่จะกล่าวไปยายถึงวัตถุอื่นสองกรร ม, มนิมิตเมื่อทุกแห่งเป็นอารมณ์ของกรรม ทุกแห่งจึงเป็นอารมณ์ของกรร ม, มนิมิตอารมณ์ของพบใหม่ได้ทีนี้เมื่ออีกอย่างหนึ่งนะทุกแห่งเป็นที่ตั้งแห่งกายกรรมวจีกรร ม, มโมกกรรมตัวกรรมนี้คืออะไรตัวเจตนาเจตนาตัวนี้ก็เป็นจะเป็นกรรมมะอารมณ์สรุปว่ารูปทั้งหลายเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งพบใหม่หรือไม่ ทุกอย่างนะชื่อว่าเป็นที่ตั้งแห่งพบใหม่หรือไม่ถ้าทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งพบใหม่การคิดถึงอารมณ์อะไรอะไรก็ตามอารมณ์เหล่านั้น ness, ท, ทั้งหมดชื่อว่าที่ตั้งแห่งพบใหม่ทุกอารมณ์เลยนะชื่อว่าเป็นที่ตั้งแห่งพบใหม่ทั้งจะมองในแง่ทวารกรรมในแง่อารมณ์ของกรรมนะก็เป็นที่ตั้งแห่งพบใหม่หมดเลยเพราะถ้าเรา ที่เรนาให้ละเอียดทีท่วนดีๆแล้วนะมีอะไรบ้างที่ไม่น่ากลัวถ้ามีปัญญาหน่อยนะถ้ามีปัญญาสัมมัสกตาสัมมาทิฏฐิหน่อยมีอะไรบ้างที่ไม่น่ากลัวเราคิดถึงอะไรบ้างที่ไม่น่าไม่น่ากลัวไม่มีแม้แต่นิดเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดถึงน่ากลัวหมดเลยทั้งความคิดของเราก็น่ากลัวสิ่งที่เราคิดถึงก็น่ากลัวที่น่ากลัวคืออะไรเพราะเพราะการสร้าง สิ่งเหล่านี้ใครเคยฟังวิเคราะห์คำว่าธาตุบ้างไหมธาตุแปลว่าจัดแจงมีความหมายหนึ่งอะจัดแจงเช่นธาตุเหล็กธาตุอะไรทั้งหลายในโลกเนี่ยจัดแจงอะไรบ้างธาตุเหล็ก น, นแร่เหล็กเนี่ยจัดแจงข้าวของเครื่องใช้สารพัดใช่ ชั้นใดก็ดีเนี่ยเมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีปฐวีอาโปโตเตโชวายโยเนี่ยพวกนี้เป็นธาตุมันจัดแจงอะไรบ้างท่านบอกว่าจัดแจงสารพัดทุกข์ทุกข์กเป็นอเนกในโลกนะถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีปฐวีอาโปโตเตโชมารองรับแล้วนะมันจะมีทุกข์ไหมมันก็ไม่มีพันคําว่าธาตุในคําสอนเราเรียกว่าจัดแจงสารพัดทุกข์เนี่ยนะจัดแจงสารพัดทุกข์ท่านทุกข์ทั้งมวลล้วนมาจากธาตุ พันทุกเมื่อเรามีรูปเป็นที่ตั้งแห่งการทํากรรมทุกอย่างที่ไปเกี่ยวข้องในฐานะเป็นอารมณ์แห่งกรรมถึงไปเกี่ยวข้องด้วยกุศลจิตเนี่ยผลก็ให้ผลออกมาเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจจะกล่าวไปยายถึงเกี่ยวข้องด้วยอกุศลจิตจะตาแบบไหนเน อ, อย่านีน เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะการดับพบใหม่เหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาใช่หรือไม่เนี่ยนะเมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้นะถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยถือว่าดีหรือไม่พลิกตรงกันข้ามเนี่ยนะนะสิ่งเหล่านี้เป็นวัตตะวัตตะเหล่านี้ถ้าดับได้เนี่ยดีจริงไหมอนะสิ่งเหล่านี้เป็นภาระถ้า ปล่อยภาระเหล่านี้ถือว่าเป็นความชอบไหม น, นะก็มาคิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามที่เรากล่าววันก่อนๆไปาการกล่าวแบบนั้นเรียกว่ากล่าวนิโรธคือเริ่มคิดตรงกันข้มามนะเริ่มเห็นภัยของทั้งทวารกรรมและอารมณ์แห่งกรรมมันน่ากลัวทั้งสองอย่างคือถ้าอารมณ์ะนะตัวตัวกายกรรมวจีกรรมของเราหรือสิ่งทั้งหลายที่ข้างนอกเป็นที่ตั้งแห่ง อารมณ์แห่งกรรมเนี่ยทั้ทุกอย่างก็ถือว่าเป็นที่ตั้งแห่งพบใหม่มองสรุปว่ามองในแง่ทวารกับมองในด้านอารมณ์นะตอนใครที่เรียนทวารสังหะมาดีใครที่เรียนอารมณะสังหะมาดีนะสบายมากอยอดชายสอบตกนะนะจุลโท อนะไพวกทวาร น, นะทวารกับอารมณ์นะอยู่ปรเฉดสามนอะอยู่ปริเฉดสาจริงๆถ้าถ้าเรียนมาดีแม่นๆหน่อยนะแล้วก็จะสามารถเอามาใช้ในชีวิตที่เป็นจริงได้เขาพูดเลยว่ากายทวารเนี่ยจิตกี่ดวงนะล็อกตัวเลขได้เลยนะว่าจีทวารจิตกี่ดวงแล้วก็อารมณ์เนี่ยอารมณ์คือสีเสียงกลิ่นรสผลฐภพัพเป็นที่ตั้งแห่งจิตกี่ดวงอนะไะ จิตที่มีสีเป็นอารมณ์โดยแน่นอ น, แ น, นอนมีกี่ดวงไม่แน่นอนมีกี่ดวงเป็นต้นเนี่ยนะก็มีการเช็คได้หมดเลยจริงๆถ้าศึกษามาดีไม่ใช่ปัญหาเลยแต่ทีนี้ถ้ามองในแง่แบบคนไม่ได้เรียนอรธิธรมมตธสังขารก็ามาคิดว่ากายวาจาของเราเนี่ยนะมีอะไรบ้างที่เราไม่ไปทํากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมกับสิ่งนั้นมีไหมไม่เป็นที่ตั้งแห่งกรรมของเราเลยโดยที่สุดแม้กระทั่งพวกอะไรนะ เอธิโอเปียเรายังเอามาพูดถึงบ่อยๆใช่ไม้ม mm hmm. พวกนั้นก็ถือว่าเป็นอารมณ์แห่งกรรมในบรรดากรรมทั้งหลายเอานะชีวิตของเราทั้งหลาย mm hmm. เวนมหักคตะกรรมซะ mm hmm. เวนโลกุตระกรรมซะ mm hmm. เวนอนันตริยกรรมซะมีอะไรบ้างไม่ท mm hmm. เํเอาเอาถามนะขอไปในในในเราทั้งหลายทุกคนเ มีใครไม่เคยล่วงอกุศลกรรมบทสิบข้อในหนึ่งข้อก็ได้ข้อเดียวเนี่ยนะไล่ดูถ้าจําอกุศลกรรมบท10บข้อได้นะเห็นอยู่ข้อหนึ่งยังไม่ได้ทําผู้การมีสักข้อไหมสิบข้อเลยนะ่มีอยู่ข้อหนึ่งไม่เคยทําเลยอะหรือสองข้อก็ได้นั่นเนี่ยเอาไม่ไม่พูดถึงว่าไอ้ที่ล่วงเป็นครบองค์ครบองค์กรรมบทเนี่ยนะมีหลายข้อใช่ไหม อ่นที่ที่ไม่ครบอ่นะนะเยไล่ไปหนึ่งถึงสิบเนี่ยแต่ว่าในห้องเราเชื่อว่าบางคนเนี่ยมีที่อาจจะไม่ล่วงข้อใดข้อหนึ่งอ่นะนะหรือหลายข้อก็ได้แต่ว่าว่าโดยรวมๆเนะก็ทั้งทั้งทวารคำวาทวารตัวนี้เป็นทวารของกุศลและอกุศลอารมณ์ก็ในฐานะอารมณ์ของ กุศลกับอกุศลเนี่ยนะถามว่าทั้งทวารกับอารมณ์นั้นคืออะไรเมื่อจำแนกออกมาแล้วนะตัวทวารกับตัวรมก็คืออันนี้เราพูดรูปประคันก่อนนะก็คือรูปประคันตัวทวารกับตัวรมก็คือรูปประคันเพราะฉะนั้นขันจึงเป็นที่ตั้งแห่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งในด้านพฤติกรรมกับในด้าน เป็นภาชนะที่ที่ตั้งแห่งการทํากรรมนะผู้การเล่าว่ารีสอร์ทเนี่ยนะทุกตารางเมตรทุกการสั่งงานมาหมดเลยใช่ไหมถนนสายไหนมังม่งไม่เป็นอารมณ์ของมนโนกรรมอาจารย์วินิจเชียงรายเนี่ยมีไหมมนโนกรรมอ่ะนะมองเห็นที่ตั้งแห่งมนโนกรรมเอาเถอก็โอ้โหที่ตั้งทําเลทํากรรมเนะี่ยมองในแง่อารมณ์นะ ตรงไหนบ้างเราไม่ได้ไปทำเจตนากรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมถ้าความรู้อันนี้ไม่ดีนะี่มันยากจริงๆนี่เรากำลังพูดมัคคสัตย์อยู่มัคคสัตย์เนี่ยขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยขึ้นต้นด้วยหนึ่งกรรมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ น, นะความรู้คำว่ากรรมสักตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะสมัยใหม่เขานิยมแปลว่ามีกรรมเป็นของของตนแต่คำว่าสกะตัวนี้เนี่ยนะกรรมสกะนะสกะกรรมบวกสกะเนี่ยนะสกะตัวนั้นแปลว่าตน น, นะกรรมสกตาแปลว่ากรรมเป็นของตน คำว่าตนในที่นี้เนี่ยนะอะบางคนเนี่ยอภิธรรมเก่งมากตนก็ไม่มีขนาดนั้นเลยไหมคุณวิลาวันอ๋อตนก็ยังมีอยู่นะอ่ ะ, อะตกลงว่าตนยังมีก็แล้วกันเพราะบางคนเนี่ยเก่งมากถึงขนาดตนก็ไม่มีว่า ง, งั้นเออสาธุ ข, ขอให้จริงเถอะนะอันนี้อันนี้พูดแบบตนมีก็แล้วกันถ้ายังมีตนเนี่ยอะไรชื่อว่าเป็นของตนจริงๆ ท่านบอกว่าสิ่งใดก็ตามถ้าหากว่าให้ผลแล้วยิ้มรับอันนั้นจึงชื่อว่าเป็นของตนยิ้มรับนะอันนั้นเรียกว่าของตนใช่ไหถ้าร้องให้รับสิ่งนั้นไม่ชื่อว่าของตนหรือสรุปว่าอะไรนำมาซึ่งความสุขสิ่งนั้นชื่อว่าของตนอะไรนำมาซึ่งความทุกข์ไม่ชื่อว่าของตนกุศลเป็นของตน ความรู้อันนี้ว่ามีกุศลเป็นของของตนอกุศลไม่ใช่ของตนเพราะเอาไ้คิดอย่างนี้นะสมมติว่าใครมีลูกลูกไหนสร้างความเจ็บปวดเดือดร้อนใจให้เราที่สุดเลยนะเราอยากจะไปที่ไหนแล้วประกาศไหมว่าลูกของตนเขามีอนะสมัยพุทธกาลเนี่ยเขามีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งเศรษฐีคนนี้ก็มีลูกสาว นนเขามีลูกหลายคนอันนัทีนี้ลูกสาวคนนี้หนีไปกับทา่าดสมัยก่อนเนี่ยท่าดคนใดถ้าพาลูกสาวนายหนีนะโทษคือตัดคออย่างเดียวเนี่ยนะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องอับอายขาย ข, ายขี้หน้ามากเรื่องเรื่องใหญ่จริงๆเลยแหละเนี่ยนะถือว่าเป็นเรื่องอายขายหน้าที่สุดโบราณของโบราณเนี่ยนะใหม่ก็ไม่ใช่เบาที่ไหนทีนี้ลูกคนนี้เนี่ยนะก็ไปมีลูกอีกทีหนึ่ง มีลูกเอ๋ลูกของลูกเรียกอะไรหลานหลานคา น, นี้ก็มีสองคนคือจูและบันทกกับมหาปันทกนั่นนะตาน่ย น, นะตาของเขาเนี่ยก็ตอนหลังเนี่ยลูกก็มาคล้ายๆกับว่าทำท่าจะมาขอขอพึ่งใบบุญของพ่อตามเดิมเนี่ยนะตาก็บอกว่าฉันไม่สามารถมองเห็นหน้าเธอได้อีกต่อไป ความผิดครั้งนี้เราให้แรงนักสังสารวัตรไม่เคยเป็นพ่อเป็นลูกกันหายากเพราะฉะนั้นจงไปตามทางของเจ้าเถอะส่วนหลานส่วนลูกของเธอเอามาฉันจะเลี้ยงเองนะที่นี้พอไปที่ไหนนะเศรษฐีคนนี้จะถามว่าเออนี่มันลูกใครอยากจะบอกไหมว่าคนนั้นน่ะคือลูกเราอยากจะพูดคํานี้ไหมไอ้ น, นั่นน่ะลูกทนที่หนีตามที่ข่าเขาไปอะ่ะไ อ, อ้ลูกคนนั้นเน่ย พูดอย่างส ง, งา่าปาเผยนะเขบอกเศรษฐีเนี่ยเหมยเก็บกฎในใจมากจะไม่ยอมพูดถึงเรื่องนี้เลยตอนหลังมหาปันทกบอกขอบวชบอกอุย้ยลวดหลานเอ้ยเขาบอกว่าการบวชของเจ้าคนเดียวเนี่ยนะถือว่าประเสริญยิ่งกว่าคนทั้งโลกบวชอีกเว่างงั้นเอาบวชให้บวชนะเพราะว่าขี้เกียจต่อว่ามันลูกไขรนะเน แล้วก็คนที่สองจะบวชอีกบอกเออบวชเลยหลานเออดีบวชเธอดีใจมากตาจะได้เพราะไม่ต้องตอบคําถามว่าไอคนเนี้ยมันลูกเราแต่หลานนี่ยอมรับไปที่ไหนก็อยากบอกว่าหลานนะแต่ไม่อยากสาวไปหาลูกเพราะว่าไม่อยากจะคิดว่าเป็นลูกของเราเลยนะเพราะมันทําไม่น่าจะทําแบบนี้ซึ่งสมัยที่เขาถือศักดิ์ถือศีถือยศถืออย่างเนี่ยนะนะสมัยนี้ก็เบาซะที่ไหนนะแต่ว่าเนี่ยพูดโบราณได้ไมไม่กระเทือนคนอื่น ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้อะไรก็ตามถ้ามันให้วิบากที่ไม่ดีนะสิ่งนั้นเราจะเรียกว่าเป็นของตนไหมฉะนั้นผลของอากุศนเรารีบกาจัดมากที่สุดรีบทำลายอาุศนและวิบากมากที่สุ ด, ลสลลสดผลอากุศนและวิบากทั้งหมดจึงชื่อว่าไม่ใช่ของตนนะนะจึงชื่อว่าไม่ใช่ของเราก็ลองสังเกตดูนะถ้าเป็นในบ้านเรานะของใช้ได้กับใช้ไม่ได้เาเรียกอะไร เรียกขยะใช่ไหมเวลาเอาไปทิ้งในถนนเนี่ยเราติดป้ายไปนะขยะของข้าพเจ้าติดได้ไหมเพราะถือว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีเราก็เลยถือว่าไม่ใช่ของเราขั้นความรู้ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตนคือรู้ว่ากุศลเป็นของเราอย่างนี้เรียกว่าความรู้อันนี้ชื่อว่ากรรมมสกตารู้ว่ากุศลเนี่ยเป็นของของเราอะกุศลไม่ใช่เราอะไม่ใช่ของเราเพราะไม่ให้ความสบายใจแก่เราเลย จะเรียกว่าของเราได้ยังไงเนี่ยไม่อยากจะพูดว่าของเราเลยใช่ไหมอะไรที่นำมาซึ่งความเจ็บปวดความเดือดร้อนทางกายหรือทางใจไม่อยากจะบอกว่าสิ่งนั้นคือของเราสังเกตดูง่ายๆคนไม่ไ ม, ไม่แม้กระทั่งคิดถึงความไม่ดีของตัวเองก็ไม่คิดจะเล่าถึงความไม่ดีของตัวเองก็ไม่กล้าทำไมนะไม่อยากจะคิดเลยว่าไอ้สิ่งนั้นมันเป็นของเรามันสร้างความเดือดร้อนให้แกเราเราจะบอกว่าของเราได้ยังไง เพราะนั้นก็ความรู้อันนี้ชื่อว่าเป็นมัคเบื้องต้นถ้ามัคอันนี้ไม่มีเนี่ยออกจากวัฏฏะไม่ได้เนี่ยนะเจริญมัคมีองค์แปดเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะฉะนั้นไอเครื่องคัดแยกอันนี้ทางความคิดจะต้องแม่นยำมากอย่่ยนะเกิดพูดในด้านเหตุผลในด้านการเฉพาะแค่หลักการกว้างๆเราทั้งหลายก็ก็ฟังในด้านนั้นมาเยอะนะแต่ว่าจะพูดว่า ทำยังไงเราจะไปพิจารณาว่าอะไรเป็นของเรากับอะไรไม่ใช่ของเราเนี่ยนะเราทั้งหลายหลายคนไปทําอกุศลมาเช่นทําปานาตีบาตหรืออาทินนาทานเป็นต้นไม่อยากจะพูดว่าอสิ่งนั้นมันของเราเลยเนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเไปรักมันแก้วเข้ามาชวนน้องไปบอกว่าเขามีมันแก้วของยายคนหนึ่งปลูกไว้อุ้ยกลางท้องนานะเราก็ไปค้ำค้ำชวนน้องขุดกินกัน มันแก้วนะก็ขุดกันโอ้ยใจเต้นตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามเลยนะแล้วแกรู้แก่ต้องด่าแนะ่แต่ว่าอะเชื่อไหมพิ่งมาเขามาพึ่งพูดคํานี้อยู่ไม่กี่ครั้งเพราะไม่อยากบอกว่าเป็นของเรา <c oughs> เออไม่อยากจะบอกว่าเป็นของเราใช่ไหมพ่อมันให้แค่บอกแค่คิดถึงก็ยังไม่สบายใจใช่ไหมพูดถึงก็ไม่สบายใจนี่ถ้ามันให้ผลเราจะดีใจได้ยังไงเนี่ยมันก็เลยไม่อยากจะบอกว่าเป็นของเราเพราะฉะนั้น ก็ตั้งเครื่องคัดอันนี้เอาไว้ให้ดีนะว่าอะไรเป็นของเราและอะไรไม่ใช่ของเราเพราะผู้ที่มีกรรมมศกตาดีถ้ามีกรรมมศกตาดีๆเนี่ยนะจะนำมาซึ่งอะไรมีรกกับโอตปะดี